จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันที่13เมษายนพุทธศักราช2550เป็นวันมงคลอย่างยิ่งสำหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นวันสงกราน เป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยแต่ถ้าเป็นชาวต่างประเทศเขาจะถือว่าวันนี้เป็นวันที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนื่องจากตรงกับวันที่13และตรงกับวันศุกร์ด้วยฝรั่งถือมากว่าวันนี้เป็นวันที่จะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นเพียงแต่ความเชื่อ การถือมาแบบไม่มีเหตุไม่มีผลท่านั้นาะเดียวมันก็ผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่ได้อยู่กับวันที่ไม่ยึดไม่ได้อยู่กับวันแต่อยู่กับการกระทาของเราเป็นหลักถ้าเราทําความดีวันไหนก็ดีทั้งนั้นถ้าเราทําความชั่ววันไหนมันก็ชั่วทั้งนั้น นี่คือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ถือยึดติดกับวันเพียงแต่อาสัยวันเวลาเป็นเหตุให้เราได้ทำความดีกันอย่างวันนี้เราถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยเราก็ต้องเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการทำความดีกันถ้าเราทำความดีมันก็จะเป็นมงคลแก่ชีวิตของเรา ดังนั้นเราจึงมีธรรมเนียมที่ดีที่ให้เราได้ทำความดีกันเช่นลดน้ำดำหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ร่วมรับไปแล้วเป็นการกระทำที่เรียกว่ากตัญญูกตวเวทีมีสัมมาคาระวะรู้จักที่สูงรู้จักที่ต่ำ รู้จากผู้มีพระคุณเช่นบิดามารดาของเราเป็นต้นไม่มีใครในโลกนี้ท่าจะที่จะมีบุญคุณมากมายกายกองยิ่งกว่าพ่อแม่ของเรามีพ่อแม่ของเราบุญคุณของพ่อแม่ของเรานี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าใช้ให้อย่างไรใช้ตอบแทนบุญคุณอย่างไรก็ใช้ไม่หมด ว่าบุญคุณท่านนั้นเหลือล้นฟ้านั่นเองถึงแม้เราจะเลี้ยงดูท่านแบกแบกท่านไว้บนบนบ่าบนไหลของเราทั้งสองข้างให้ท่านขับทายลดตัวเราเราก็ยังไม่สามารถใช้บุญคุณของท่านให้หมดไปได้แต่อย่างน้อยเราก็ควรที่ควรจะคำหนึงลำเลึกถึงบุญคุณ และพยายามตอบแทนเท่าที่เราจะทำได้เช่นวันนี้เราก็ไปกราบพ่อกราบแม่ไปรดน้ำไปขอพรจากท่านมีอะไรที่ท่านใช้ได้เราก็เอาไปฝากถ้าท่านล่วงลับไปแล้วเราก็ทำบุญใส่บาตรถวายทานแล้วก็อดทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับท่าน เป็นวิธีที่จะนำมาซึ่งความเป็นมงคลแก่ชีวิตดังในพระบาลีที่ทรงตรัสสอนไว้ว่าปูชาเจปูชนียานังเอตัมมังกลลมุตตมังการบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งบุคคลที่สมควรแก่การบูชาก็คือบิดามารดาของเรานั่นเอง นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีบิดามารดามีครูบาอาจารย์ที่เป็นบุคคลที่สองควรแก่การบูชาการบูชาก็มีได้ด้วยสองวิธีคืออามิสซาบูชาและปฏิบัติบูบชาอามิสซาบูชาก็เป็นการ <c oughs> นำเอาเครื่องสักการะ <c oughs> เช่นดอกไม้ทูบเทียนอย่างวันนี้เราก็เอาน้ำอบน้ำหอม โปรยด้วยดอกไม้ไปขาระวะไปลดน้ำให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรามีความขลารกที่เราสำนึกในบุญในคุณของท่านอย่างนี้เรียกว่าเป็นอามิสบูชาส่วนปฏิบัติบูบชาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่าเป็นการบูชาที่ดีที่สุดที่เลิศที่สุด ถึงแม้เราจะไม่ได้ไปกราบพ่อกับแม่เนื่องจากไม่ได้ไม่ได้อยู่ใกล้กันไม่สามารถไปได้ท่านก็สอนให้เราปฏิบัติบูชาคือทำตัวเราให้เป็นคนดีให้เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นคนมีความเมตตากรุณามีความเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้เป็นคนที่มีความเสียสละอย่างนี้ เราก็ถือว่าเราได้บูชาแล้วพักคุณของคุณพ่อคุณแม่เพราะบิดามารดาก็ไม่ได้ปรารถนาอะไรจากเรามากมายนอกจากอยากจะให้เราได้มีความสุขได้มีความเจริญเท่านั้นเวลาที่เรามีความสุขมีความเจริญเราเป็นคนดีบิดามารดาก็มีความสุขมีความเจริญไปกับเราด้วย แต่ถ้าเราไปทำสิ่งที่ไม่ดีทำบาปทำกรรมไปติดคุกติดตารางหรือใช้ชีวิตแบบสำ ม, มเลัยเทมาจนมีแต่ความเสื่อมเสียพ่อแม่ก็จะมีความเสียอกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับมีแต่ความห่วงมีแต่ความกังวลดังนั้นถ้าเราไม่อยากจะให้พ่อแม่ของเราตกนรก อยากจะให้พ่อแม่ขึ้นสวรรค์เราก็ต้องทำความดีกันถ้าเราบวชได้ยิ่งจะดีใหญ่ก็เราจะดึงให้พ่อแม่ได้ขึ้นสวรรค์ไปกับเราด้วยเวลาที่เราบวชพ่อแม่ก็จะต้องมาวัดมาหาเรามาทําบุญใส่บาตรมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นเหมือนบันไดที่จะ พาให้ขึ้นไปสู่สวรรค์นั่นเองตามปกติแล้วถ้าเราไม่ได้บวชเราไม่ได้เข้าวัดพ่อแม่เขาก็จะไม่ได้มาวัดเพราะเขาจะมีทุระมีเรื่องอะไรต่างๆที่จะต้องทำอยู่ตลอดเวลาแต่พอเรามาบวชมาอยู่ที่วัดด้วยความห่วงใยด้วยความรัก <c oughs> เขาก็จะต้องมาที่วัดนี้ไม่ดีเขาก็จะมาอยู่ที่วัดกับเราด้วย เป็นเวลาสามวันบ้างห้าวันบ้างเจวันบ้างก็จะทำให้เขาได้ทําบุญได้รักษาศีลได้ฟังเทศฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมซึ่งถ้าได้ทําสิ่งเหล่านี้แล้วรับรองได้ว่าเมื่อตายไปแล้วจะได้ไปสู่สวรรค์อย่างแน่นอน <c oughs> ไม่เป็นอย่างอื่นไปได้เลยจะไม่ต้องไปตกนรกเพราะนรกนั้นเกิดขึ้นจากการ ทำบาปทำกรรมนั่นเองคือไม่รักษาศีลเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดโกหกหลอกลวงเสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืน ค, บ ค, คบคนชั่วเป็นมิตรมีความเกียดคร้านเหลนี้ต่างหากที่จะเป็นบันไดที่จะพาเราไปสู่นรกไปสู่ อบายไปสู่การเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีอยู่ที่การกระทาของเราไม่ดีไม่ได้อยู่กับใครทั้งสิ้นถ้าเราทำดีแล้วไม่มีใครสามารถที่จะมาเอาความดีของเราไปได้ไม่มีใครสามารถจะส่งให้เราไปนรกส่งให้เราไปเกิดเป็นเดรัจฉานได้แต่ถ้าเราทาแต่บาปทาแต่กรรม ก็ไม่มีใครที่จะยับยั้งห้ามไม่ให้เราไปตกนรกได้เช่นเดียวกันดังนั้นทางศาสนาจึงถือเรื่องของการกระทาเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเป็นต้นเหตุของผลต่างๆอย่างเช่นพวกเราที่มาเกิดเป็นมนุษย์ในวันนี้เป็นหญิงเป็นชายเป็นพระเป็นคารวะมีความแตกต่างกันเพราะบุญกรรมที่เราได้ ทำมาในอดีตชาตินั่นเองถ้าเราเคยทำบุญมามากเราก็จะมาเกิดแล้วจะชอบทำบุญชอบเข้าวัดถ้าเคยบวชมาก็อยากจะมาบวชอีกแต่ถ้าเราเคยเดื่มแต่สุราเล่นการพนันเราก็จะไม่อยากเข้าวัดเราก็อยากจะไปเที่ยวไปเดิมสุราไปไปเล่นการพนัน แล้วฐานะของพวกเราแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันบางคนก็มีรูปร่างหน้าตาสวยงามกว่ากันบางคนก็มีความร่ำรวยมากกว่ากันบางคนก็มีอาการ32ที่ครบถ้วนบางคนก็ไม่มีครบถ้วนบางคนก็ฉลาดบางคนก็ไม่ฉลาดเหล่านี้ล้วนเป็นผลของบุญกรรมที่เราทำไว้ในอดีตชาตินั่นเองยังได้ทำให้เรามาเกิด มีความแตกต่างกันทั้งในด้านรูปร่างหน้าตาในฐานะการเงินการทองในความรู้ความฉลาดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สูญหายไปเพราะว่ามันติดไปกับใจใจนั้นไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจเป็นเหมือนกับน้ำที่อยู่ในขวดน้ำเวลาขวดน้ำแตกใจน้ำก็ไม่ได้แตกไปกับขวดน้ำ เรารู้ว่าขวดน้ำแตกเราก็ถ่ายน้ำไปใส่ขวดใหม่เราก็ยังได้น้ำที่เรามีอยู่เหมือนเดิมนฉะนั้นใดบุญกรรมที่เราสที่เราทำไว้ในชาติก่อนๆมันก็ติดอยู่กับใจของเราเมื่อเราตายจากชาติก่อนเรามาเกิดชาตินี้ก็เอาใสยบุญกรรมนี่แหละเป็นตัวชี้เป็นตัวส่งให้เรา ได้ไปเกิดที่สูงได้ไปเกิดที่ต่ำไม่ได้มีอะไรนอกจากบุญกรรมนี้เท่านั้นเราจึงมีความแตกต่างกันในภพนิชานี้เพราะเราได้ทำบุญทากรรมมาไม่เท่ากันแต่อย่างน้อยก็ได้ทำอยู่ในระดับเดียวกันอย่างน้อยการที่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องรักษาศีลกันมาถ้าไม่รักษาศีลเลยถ้ามาเกิดก็จะต้องมาเกิดเป็นเดรัจฉาน เป็นสุนัขบางตัวที่เขามาปล่อยไว้ในวัดเขาก็เคยเขาไม่ได้รักษาศีลมาในอนดีตเขาจึงต้องมาเกิดเป็นเป็นสุนัขส่วนพวกเราเคยรักษาศีลมาเราจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราทำบุญให้ทานมากๆเราก็จะเกิดมามีฐานะดีมีมีเงินมีทองมากกว่าคนที่ทำบุญน้อย ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมศึกษาอยู่เรื่อยๆเราเมื่อเรามาเกิดเราก็จะเป็นคนที่ฉลาดเมื่อเรา <c oughs> ถ้าเรารักษาศีลไม่เบียดเบีย น, นผู้อื่นเราก็จะมีร่างกายที่ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ไม่เป็นคนพิกลพ่การไม่มีโรคภัยเบียดเบียนมีอายุยืนยาวนาน นี่คือความแตกต่างกันของวิบาบกข อ, ข, อของบุญและของกรรมที่เราเคยได้ทำกันมาในแต่ละภพในแต่ละชาติเราจึงไม่ควรที่จะประมาทเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญและทำบาปพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราหมั่นทำบุญอยู่เสมอและหมั่นละบาปอยู่เสมอ ถ้ า, าจะทำบาปก็ขอให้ละเว้นเสียอย่าทาขอให้คิดว่าการทำบาสนี้ถึงแม้จะได้ในสิ่งที่เราต้องการมาแต่มันจะไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราเสียไปเราเสียความเป็นมนุษย์ไปเวลาเราไปทำบาสเช่นเราไปฆ่าสัตว์แล้วเราไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดตระเวณีจิตใจของเราได้กลายเป็น เดรัจฉานกลายเป็นสัตว์นรกไปแล้วเนื่องจากว่าเราไม่มีศีลธรรมนั่นเองเพราะศีลธรรมนี้เป็นคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีศีลธรรมก็ไม่เรียกว่าเป็นมนุษย์ถึงแม้จะมีร่างกายแต่ใจไม่ได้เป็นมนุษย์เสียแล้วคนเหล่านี้ถึงแม้จะมีร่างกายเหมือนกัน แต่ใจอาจจะมีความแตกต่างกันใจของคนบางคนก็เป็นพรหมก็มีคนที่รักษาศีลแปดคนที่ปฏิบัตินั่งสมาธิเข้าฌานได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นพรหมใจเป็นพรหมแต่ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ถ้ามีฮริโอตปะมีความละอายในการกระทำบาปมีการให้บุญทำบุญทำทานมีการรักษาศีล ใจก็จะเป็นเทวดาเป็นเทพถ้ารักษาศีลอย่างเดียวไม่ชอบทาบุญให้ทานยังมีความตันดีอยู่ใจก็เป็นมนุษย์ <Yeah. S 1> ถ้าไม่รักษาศีลเลยแล้วก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำบาปทำกรรมใจก็กลายเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างหรือเป็นสัตว์นรกบ้างและเมื่อร่างกายนี้แตกสลายไป ใจนี้ก็ต้องเป็นไปตามที่เป็นอยู่ในขณะนั้นถ้าใจเป็นนรกก็จะต้องตกนรกถ้าใจเป็นเทพก็จะไปขึ้นสวรรค์ถ้าใจเป็นเดรัจฉานก็ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานเราเป็นผู้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาด้วยการกระทาของเรานี้เองไม่มีใครเป็นคนสร้างเราให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสไว้ว่าอตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนตนเป็นผู้สร้างสิ่งที่ดีหรือสร้างหรือสร้างสิ่งที่ไม่ดีให้กับตนถ้าเราอยากจะได้แต่สิ่งที่ดีๆมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเราก็ต้องทำแต่ความดีไม่ทำบาปถ้าเราอยากถ้าเราไม่อยากจะตกนรก เราก็อย่าไปทำบาปนี่เป็นหลักตายตัวไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามถ้าทำไปแล้วก็จะต้องได้รับผลอย่างแน่นอนเหมือนกับไฟที่มันร้อนที่มันเผาเราได้ถึงแม้เราจะเชื่อหรือไม่ว่ามันร้อนมันจะเผาเราได้ก็ตามถ้าเราเข้าไปหาไฟแล้วไฟมันก็จะต้องเผาเราอย่างแน่นอน ไม่มีทางยกเว้นว่าเชื่อหรือไม่เชื่อ <Yeah. S 1> เพราะความจริงเป็นอย่างนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อหรือไม่เชื่อความเชื่อนั้นเป็นเพียงแต่เป็นตัวให้เราได้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วเมื่อเรารู้แล้วเรายังไม่รู้เรายังไม่ได้สัมผัสกับตัวเราเองเราเชื่อไว้ก่อนจะปลอดภัยกว่าเหมือนกับเชื่อว่าหมอให้ยาเรา ยาที่หมอให้ยาเหล่านี้จะรักษาโรคของเราให้หายได้ถ้าเราไม่เชื่อหมอเรากลัวว่ากินยาแล้วจะตายโรคไม่หายเราก็จะไม่กล้ากินเมื่อเราไม่กล้ากินเราก็จะไม่รู้ว่ายาที่หมอให้มานี้จะรักษาโรคให้หายได้หรือเปล่าแล้วเราไม่ช้ากเ็เร็วก็จะต้องตายเพราะโรคนั้นไปแต่ถ้าเราเชื่อหมอเชื่อว่ายาที่หมอให้มานั้นจะรักษา โรคของเราได้เราก็รับประทานเข้าไปไม่ช้าก็เร็วเราก็จะรู้เองว่ายานี้รักษาโรคได้หรือไม่ถ้ารักษาได้โรคก็หายถ้ารักษาไม่ได้โรคก็ยังไม่หายแต่อย่างน้อยเรารู้แล้วเช่นเดียวกับคำสอนของพรพรเจ้าถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ถ้าเราเชื่อแล้วเราลองปฏิบัติ ด, ดู เราจะรู้ได้ในชาตินี้เลยไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องรอตายไปก่อนว่านารกมีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่บาปบุญมีจริงหรือไม่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะสามารถเห็นได้ในชาตินี้เลยในขณะที่เราปฏิบัติเพราะธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสันติโกผู้ปฏิบัติสามารถรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นอาการลิโกไม่ขึ้นกับการกับเวลาสมัยพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรสมัยนี้ก็เป็นเหมือนกันคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เสื่อมไปกับการกับเวลามีอนุภาพมีประสิทธิภาพเท่าๆกันตลอดเวลาถ้าเราปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ผลอย่างแน่นอนจึงขอให้ท่านจงมีความเชื่อและพยายามปฏิบัติตามแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งที่ดีที่งาม ได้แต่ความสุขและความเจริญจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้นำในสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในวันสงการนี้กันต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออุศล์ผลบุญ ที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญด้วยอายุวันนะสุขภะละโดยทั่วหน้ากันเทอ